จะเทศให้ฟังให้ตังใจฟังด้วยดีทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นธภาพถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจผู้มีใจดี การกระทาคำพูดและความคิดก็ดีตามไปด้วยผู้มีใจชั่วใจบาปบาปอันนั้นทุกอันนั้นก็ติดตามเขาไปถ้าใจไม่ดีแล้ว การกระทําคำพูดและความคิดก็ไม่ดีตามไปด้วยตามไปไหนตามไปสู่นรกอบายภูมิอบายภูมิมีอยู่สี่ที่จิตของคนผู้กทําความชั่วแล้วจะไปไอจิตเราชั่วแล้ว เราก็ไปสู่อบายภูมิอบายภูมิแปลว่าภูมิแห่งความเสื่อมความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนความเป็นทุกข์กันเนี่มีอยู่สีอย่างคือเกิดเป็นสัตว์ดิลส า, านหมูมา ก, กาไก่อีลุ่งอีแรงอีกา เป็นได้มดฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นจะภาวนาสมาธิฝึกหั ด, หดจิตใจเหมือนอย่างพวกเรานี้มันทาไม่เป็นสัตดิา萨มู ม, มากาไก่เหล่านี้ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักดีจักชั่วมีแต่ความเลือดร้อนเกิดเป็นเพ็ดก่อิวโห้ยอดอยากเกิดเป็นอสุรกายคือผีสางนางไม้ ก็เป็นภูมิต่ำภูมิเดือดร้อนเหมือนกันสันโลกนรกมีอยู่แปดขุมสันจีวันโลกนี่ขุมที่หนึ่งสังคาตะนรกนี่ขุมที่สองกาลาสุตะนรกหงที่สาม โลรวนรกขุมที่สี่มหาโลาลุวนรกขุมที่ห้าตาปานรกขุมที่หกมหาตาปานรกขุมที่เจ็ดอเวจีมหานรกเป็นขุมที่แปด นรกมีอยู่แปดขุมในนรกแปดขุมนั้นสันสีวันาโลกเป็นขุมแรกคนที่ไปสู่อบายภูมิคือนรกนี้มีทุกข์มากเดือดร้อนมาก เด๋ยวร้อนมากจริงๆนะเด๋ยวร้อนมากอายุนรกนี่ห้าพันปีนรกเก้าล้านปีมนุษ ย, นย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวนันรกถ้าเราตายแล้วเราไปตกนรกคุมแรก เราอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งทางโน้น่ะทานในในรกเลยก็เขา ใ, ให้เรากลับมามาบ้านเดิมสมมติว่าเขาให้มาเก้าล้านปีมาจำไม่ได้แล้วไม่รู้ใครเป็นใครใครเป็นลูกเป็นหลานก็เก้าล้านปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันสีวนาโลก แต่สรรทีวนรกนี่ไม่ใช่ปีสองปีห้าพันปีนรกนี่แหละถ้าใครตกไปแล้วก็เดือดร้อนมากมีทุกข์มากควาจะพ้นจากนรกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปกี่พระองค์เราก็ไม่ทราบได้ความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นตามเผาไหมเราอยู่ตลอดมีทุกข์มาก มีความลำบากมากเพราะฉะนั้นการที่จะตายแล้วไปตกนรกนี่โอ้มันไม่คุ้มค่ากันนะเราเกิดมาเป็นคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีสมมุติว่าแปดสิบปีเราทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดไว้มากก็ไปตกนรกตั้งแต่สันทีอนโลกเป็นต้นไปจนถึงอาเวจีมหานรก คนฆ่าพ่อฆ่าแม่เบียดเบียนคนอื่นฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์อื่นตายไปแล้วไปตนกนรกนรกเป็นของมีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีนรกมีอยู่เพราะพุทธเจ้าก็ตัดแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหนังสือบันทึกคำสอน ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระใจปีดกมีอยู่ทั้งหมดเก้าสิบเอเล่มเล่มใหญ่ๆทางนั้นกล่าวเรื่องนรกนิไว้ละเอียดในเพีแตตวัตถุและอิมานวัตถุกล่าวไว้อย่างละเอียดนรกมีอยู่จริง คนตายแล้วก็ไปสู่นรกได้จริงเพราะความชั่วที่เราทำไว้ทางกายความชั่วที่เราทำไว้ทางวาจาความชั่วที่ทำไว้ทางใจเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายภูมิได้ไปเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ดิบสารเป็นนั่นเป็นนี่สารพัด ไม่รู้บาปปุลกุณโทษแหละมีแต่ความทุกข์เดเือดร้อนเป็นมนุษย์นี่เรายึงอยู่ในระหว่างกลางจะไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ถ้าเราทำชั่วทำบาปมากนี่มันก็ไปสู่นรกเช่นฆ่าวีดามันดาฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้ายังสงให้แตกกัน ให้แตกสามัคคีกันก็ต้องไปสู่ไบยภูมิที่เรียกว่าอาวิีมหานลกอาวิีมหาโลกมีอายุยืนมากคำว่าอาวิีนะแปลว่าไม่มีระหว่างทุกตลอดเดือนร้อนตลอด อยู่ในอวจีมหาลโลกนะั่นหนึ่งอันตระกับเป็นอายุของผู้ที่ไปตุรก ล, ลกที่เรียกว่าอาวจีมหาลโลกนานมากพระเทวทั์ก็ไปอยู่นูน่นแต่นี้พระเจ้าสุปพุท ธ, ธาก็ไปอยู่นูน่น นางกินจะมานาวีกาเข้าไปสู่นรกนี้เหมือนกันพระเทวทัตก็ไปอยู่ที่อาวิีีหานรกนรกมันมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามาโุพังขมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า ดีก็พอใจชั่วก็พอใจใจน่ะเป็นสำคัญจะทำความดีความงามสิ่งไหนก็ใจน่ะเป็นผู้ว่าผู้เข้าใจผู้คิดผู้นึกผูผผ้้ตองนี่แหละไม่ใช่กายดีแต่ว่าใจของเรานั่นแหละ คิดดีทำดีคิดชั่วทำชั่วใจของเรานะไปสู่ปลายภูมิก็ใจของเรา ต, ตัวตนของเรานี่ก็สุดที่สุสานหรือว่าสุดที่เมียนเผาศพกายนี่สุดแค่นี้แต่ใจที่ยังมีกิเลสอยู่ใจใจยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ต้ไปเกิดอีก เกิดอีกก็มีทุกข์อีกผู้ที่ได้บรรลุสดาบันจึงปิดอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกภูมิไหนอีกเลยไม่มีทุกข์ในนรกอีกตายไปไม่ตกนรกถ้าเป็นพระสวดาบัญแล้ว เจ้าปัณรู้รมขั้นที่หนึ่งใครเป็นพระโสดาบันเราไม่ไปสู่นรกเลยมาเกิดในภูมิมนต์นี้ก็ไม่เกินเ็ดชาติชาติที่แปดไม่มีชาติที่เกตเนี่ยก็อะไรสำเร็จเป็นพระาราหันพอได้เป็นพระาราหันก็ หมดทุกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิเลสในใจก็หมดไปอะไรก็หมดไปมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่สิ่งที่เป็นสุขแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราเอาคอให้มันได้สมาธิได้มักได้ผลขั้นสุรบันก็ยังดีนี่แหละใจของคนไปอย่างงี้บาปพาไปชั่วพาไป กิเลสพาไปก็ไปสู่ภพภูมิอันต่ำภพภูมิอันเดือดร้อนไปสู่ภพภูมิที่มีทุกข์ถ้าเราอยากพ้นจากทุกข์ก็ทำใจของเราให้ดีทำใจของเราให้มีศีล ทำใจของเราให้มีสมาธิทำใจของเราให้มีมากมีผลทำใจของเราให้มีพณนิพานให้ใจของเราบรรลุถึงซึ่งพันิพานก็ไม่ต้องทุกข์อีกเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงไม่มีมากมีผล การเกิดของเรานั้นน่ะนับภพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคนเกิดมากว่าจะได้พ้นจากทุกข์หรือลองย้อนไปดูย้อนไปดูซิว่าเราเกิดมานานเท่าไหร่ พระพุทธเจ้าถูกพระเีระถามพระองค์ว่ากับดึงนีนานเท่าไหร่พระเจ้าข้ากับดึงนานมากภิสุจะพอเปรียบเทียบได้ไหมพระเจ้าข้าเปรียบเทียบได้ ภูเขาเป็นหินแท่งเทึบกว้างหนึ่งโยศคือส6กกิโลเมตรยาวหนึ่งโยชส์1หกิโลเมตรเหมือนกันสูงหนึ่งโยศร้อยปีเทวดาพาทิพมาปัดภูเขาอันนั้นให้เตียนโล่งราบคาบไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเป็นเสมอพื้นดินธรรมดา ผ้าที่เอามาปัดร้อยปีเอามาปัดครั้งหนึ่งนันไม่ใช่ผ้าหยาบๆเป็นผ้าละเอียดมากให้คิดดูสิมันจะนานเท่าไหร่ล่ะหญ้าไม้ใบ ไ, ไม้ต้นไม้เอามามัดรวมกันให้ประมาณคืบหนึ่งแล้วก็มัดไว้มัดไว้มัดไว้หญ้า ไม้ในชมพูทะวีบคือประเทศอินเดียเอาอย่าไม้เหล่านั้นมามัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนเป็นขนาดเท่าสี่นิ้วนี่อันนี้คือพ่อของเราอันนี้คือพ่อของพ่อเราหรือปูอ่แล้วก็นับไปเรื่อยๆปู่ทวด ออนับไปนับไปนับไปใบไม้ใบหญ้าในสมภูทวีบนี้หมดสิ้นไปแต่คำว่าพ่อของเรานียังไม่สิ้นยังมีต่อไปอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นแหละเกิดมาชาติไหนก็ทุกทุกชาติ ลำบากทุกชาติต้องทำมาหากินต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูลูกเต้าลูกหลานทำงานนั่นนี่ไม่มีได้พักได้ผ่อนเลยเราก็ยังอยากมาเกิดในโลกพนุษย์นี่อีกมาเกิดได้ถ้ายังมีกิเลสอยู่หรือว่าเรายังไม่บรรลุสวดาบันนี่ ยังไม่รู้สกิทาคาบียังไม่รู้บรรลุอนาคามียังไม่บรรลุอรหันต์การเกิดอีกของเราไม่รู้จักจบสิน้นท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตตานี้นานแสนนานทุกแสนทุกลาบากแสนลำบา ก, แ ล, บากแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไปอบายภูมิไม่ได้ เกิดมาชาตินี้อาจจะมาทำชั่วแล้วก็ไปสู่ไบยภูมิ้นจากอบยภูมิก็มาเกิดเป็นคนหนี ก, ก็มาทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดอีกก็ได้ไปเสวยทุกข์อีกนี่เป็นอย่างนี้มันไม่จบง่ายๆแต่ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้จิตเราวรลุคุณธรรมขึ้นไปจนเป็นพระอริยบุคคลเราก็ตัด การเวียนไหวาตายเกิดให้สั้นโลกได้เป็นพระโสราบันนี้ก็ประเสริฐแล้วประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิความเป็นใหญ่โลกทั้งสิน้นความเป็นใหญ่ในสวรรค์สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ทั้งสิน้น เป็นใหญ่ในเทพเทวดาเป็นใหญ่ในสวรรค์ถ้าเรายังไม่บรรลุนี่มันกำหนดเป็นได้เลยว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ภพแต่ถ้าเราบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เราก็สามารถมาเกิดในมนุษย์อีกแต่ไม่ตุนรกนะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ อย่างชาเกดชาติตนน้นเองไม่ไปอวาัยวะภูมิเลยไปสวรรค์กับมนุษย์นี่เก็ดชาติไม่ต้องเกิดเป็นแสนแสนชาติแสนแสนกลับแสนแสนกันนี่แหละที่ไปเกิดนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็ใจของเราเนี่แหละไปเกิดใจของเราทำความดีไว้หรือความชั่วไว้ใจคิดชั่ว ก็ไปสู่ความเป็นทุกข์อย่างที่อัตมาเทศได้ฟังนั่นแหละใจดีนี้ก็ไปสู่สุขติคือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ใจดีใจไม่เศร้าหมองนะใจห่องใสใจบริสุทธิ์นะใจเป็นสุขนะนั่นแหละอันนี้ เป็นความดีของเราที่เราเกิดมาแล้วเราได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังคำตักเตือนหรือว่าบอกกล่าวจากกุูาอาจารย์เหมือนญาติโยมทุกคนเนี่ยคือลูกศิษย์พระอรันตมาหมดเลยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อหมด ตั้งใจมาปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเองให้ดีเพื่อที่จะไปสู่ทางที่ดีคือไปสวรรค์ไปพมมโลกไปนิพพานถ้าเป็นมนุษย์ก็มีความสุขในมนุษย์เป็นเทพเทวดาก็มีความสุขในความเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมก็มีความสุขอย่างผู้ที่ได้เป็นพระอินทร์พระพรม ได้รับความสุขความเจริญมีกิจใจเบิกบานสูงส่งนี่แหละความดีพาไปนั้นเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่พืชผิดมิตรสาจารย์เราไม่ทำความชั่วทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพปาปัสสะกลาหนัง พุทธัสสุปสมภดาสักิตะปริโยตปะนังเอตังพุท ธ, ธาน า, าสานังให้ละความชั่วทั้งปวงพุทธิยาบอกคำสอนพุทธิเจ้าเลยสอนให้ละความชั่วทั้งปวงสอนให้ทำความดีสอนวิธีทำกิจให้ผองใส ผ่องใสตั้งแต่เป็นคนที่ได้สมาธิผ่องใสจนได้มรรคผลผนิพพานได้ความสุขความเจริญนั่นแหละจิต ด, ดีก็เป็นดังนี้ถ้าจิตชัว่วเป็นอย่างที่อตรตมาพูดให้ฟังแล้วถ้าจิต ด, ดีแล้วก็พาไปทางดีเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นมนุษย์ที่ดี ไม่ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่ทำความชั่วความบาปความไม่ดีไม่งามให้กับตนเองเว้นจากความชั่วทั้งพวงทำความดีให้ถึงพร้อมคือให้มากๆทำจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ย พระพุทธที่เจ้าสอนไว้ก็มีเท่านี้แหละแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธนะ์ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในตู้พระใจปิโหรวมลงแล้วก็มีอยู่สามอันอย่างที่ว่ามาแล้วคือละชั่วทําดีทําจิตให้ผ่องใสเท่านี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทํทาเดียวสามสามอย่าง ทำจิตให้ผ่องใสอย่างที่เราทำอยู่นี่แว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตไม่ให้มีมนทินให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตตั้งอยู่ในความดีจะดีหรือชั่วก็ใจนี่แหละให้เข้าใจอย่างนั้น ใจของเรานี่เองจะชั่วก็เพราะใจเราจะดีก็เพราะใจเราได้คบกัลยาณมิตรได้พบกับครูบาอาจารย์ที่คอยนำพรฒนสอนบอกกล่าวเราตั้งอยู่ในโอวาทไม่นานเราต้องในบรรลุมรควุนเราจะได้พ้นจากทุกอย่างแน่นอน ถ้าพ้นจากทุกแล้วจะไปไหนต่อมันก็สบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วไปสวรรค์ไปพุ ม, มโลกไปนิพพานไหไแล้วก็มาเกิดเป็นมนต์นี้ฉะนั้นนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปอย่าทิ้งเราได้โอกาสดีแล้ว ที่เราได้มาปฏิบัตินี่ร้อยวันพันปีเราก็ไม่ได้โอกาสดีอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติมิตรบริวาร ที่จะหาโอกาสมาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ได้ไง่ายๆต้องวางพาละหลายอย่างการทำมาหากินต่างๆก็งดเว้นไว้ใช้เวลาเจ็ดวันมาฝึกปฏิบัติสำรั ก, กจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีความดีอยู่ในตัวนี่ก็เป็นทางดีของเรา เราทำดีไม่ได้ทำให้เพื่อคนอื่นทำเพื่อเราเนี่แหละอย่างกิจบรรลุปเป็นพระโสดาบันอย่างนี้กิตบรรลุปเป็นพระโสดาบันกิเลสของเราก็ลดลงทุกข์ของเราก็ลดลงเรามีแต่ความสุข เราเห็นใจเราได้เลยว่าเรามีความสุขไหมเราทําอย่างนี้เรามีความสุขไหมใจของเราสบายไหมถ้าเราทําความดีอย่างนี้ถ้ามันสบายมันเป็นสุขก็เรียกว่าถูกต้องแล้วเราทําเป็นทําจิตให้สงบเป็นทําจิตให้สบายเป็น รู้จักวิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรใจเราจรึงสะสงบใจเราถึงจะผ่องใสใจเราถึงจะเป็นใหญ่ในธรรมของพระเจ้าใจเราที่จะพ้นเป็นพระียบุคคลโสดาบันสกษษษษาาิทาคานาคารหันเราทำอย่างนี้แหละ มันถูกแล้วอันนี้มันถูกแล้วทีเทนให้ฟังคือย้ำให้เห็นว่าคนเราต้องเยน็นวายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นบิดามารดาของเรานี่เอายาเอาไม้ในชมพูทวลีบทั้งสิ้นมาปั้นเป็นก้อนอันนี้เป็นบิดาของเราอันนี้เป็นมารดาของเราแผ่นดินก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีบทไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย แต่ครับว่าพ่อแม่ของเรายังมีต่อไปอีกนี่มันเกิดนานแสนนานพ่ออะไรพ่อไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่พ้นจากความทุกขนี้เลย เ, ออเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่สุดในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเราบริสุทธิ์หนึ่งได้มาเกิดเป็นนุ์ สองได้เป็นเทพเป็นเทวดาสามได้เป็นพรมสี่เปได้เป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกขั้งปวงนั่นเราสามารถทําได้เราสามารถปฏิบัติได้เราสามารถชําระกิจที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราฝึกปฏิบัติอันนี้แหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจทำความภาคกูมเพียรอย่าท้อถอยว่านี่เราเสียเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้คิดเวลาที่เสียไปเพราะเหตุอื่นอย่างอื่นมีมากเพราะทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็มากแต่เวลาที่จะให้กับตัวเองคือการปฏิบัติหรือนั่งสมาธิวันละสิบนาทีห้านตตานทีหรือชั่วโมงหนึ่งสามสิบนาทีอะไรงี้ต่างๆก็ ยอมสละเวลานี้ให้ถวายพระพุทธเจ้านั่งสมาธิวันละห้าหนาทีทุกวันไปอยู่บ้านก็นั่งสมาธิสักสิบห้านาทีถ้าส่วนจะทำได้มากกว่านั้นไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้ปฏิบัติทุกวันคอยกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไวลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกให้เรารู้อย่างนี้แหละรูล้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกใจเราก็จะสงบเป็นสมาธิเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็พิจารณาถึงความจริงพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นทางออกจากทุกข เราก็สามารถบรรลุมากคผลได้ตั้งแต่โสดา บ, บันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้ว่าไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปนรกเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้มีแต่สอนให้ทําดีให้หนีจากกองทุกข์ให้หนีจากความทุกข์ความเดือดร้อนให้หนีจากความยุ่งเหยิงปัญหา น า, นานาประการไปได้ให้ตั้งใจทำความดีไว้ไม่มีใครทำแทนเราหรอกลูกก็ทำแทนไม่ได้ลูกให้ทานแทนเราก็ไม่ได้ลูกรักษาศีลแทนเราก็ไม่ได้ลูกระวนาแทนเราก็ไม่ได้คือหัดสมาธิแทนเราไม่ได้ของใครของมัน ขอให้ทำเอาปฏิบัติเอาเวลาของชีวิตเจ็ดสิบแปดสิปีนี่มันน้อยมันน้อยมากถ้าไม่รีบเร่งทำคุณงามความดีเราจะเอาความสุขมาจากไหนความดีเราไม่มีเราไม่มีความดีจะมีความสุขได้อย่างไรเราต้องมีความดีเราต้องทำดีเราต้องละเว้น เราต้องเลิกสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าว่าชั่วอย่าทำเพราะดังนั้นจะพาให้เราไปสู่อบายาภูมิจะพาให้เราไปถึงความทุกข์ความเดือดร้อนจะพาให้เราตกต่ำสิ่งไหนที่จะพาให้เราตกต่ำเราจะทำไปทำไมเราไม่ต้องทำสี่ห้าเราต้องให้ครบ เกิดเป็นคนเนี่ยรักษาศีลห้าให้ได้ศีลห้าประกาศ น, นี่ให้เราทำให้ครบไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยเพียงแต่รักษาศีลช่วระยะเดียวนิดเดียวยังได้ไปสู่สวัสด์ได้เหมือนปกโจนห้ารอยคนป้นชาวบ้านแล้วชาวบ้านลุกฮือขึ้นต่อสู้พากันวิ่งหนี ต่างคนต่างก็ไปเข้าป่าเข้าลกไปเข้าดงเข้าดอนไปแต่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ไล่ติดตามไปไล่ติดตามไปพวกโจนไม่มีทางไปวิ่งเข้าไปในป่าพอวิ่งเข้าไปในป่าก็ไปเจอพระนั่งสมาธิอยู่คอยห้าเป็นที่พึ่ง พระก็ไม่มีอะไรจะให้พึ่งได้นอกจากเจ้าศีลที่พึ่งคือศีลก็เลยให้ศีลให้พวกโจรห้าร้อยรับรักษาศีลชาวบ้านเขาตามมาทันพอดีรักษาศีลเสร็จสมทานศีลเสร็จชาวบ้านเขาก็ตามมาทันพอดีเขาก็ฆ่าทุกคนเลยตายมดโจรห้ารอยคน แต่จนเหล่านั้นตายแล้วไม่ได้ไปส่อบายนะถ้าปกติแล้วตายแล้ ว, ต, ลวต้องไปสู่พ่อภูมิเป็นทุกข์คืออบา ย, ยภูมิแน่นอนพราะไปทำบาปไว้แต่พอรักษาศีลพุบเอากับเป็นว่าตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกเลยไปสู่สวรรค์น่ะอยู่จนเวลาพุทธันดอนหนึ่งคือระหว่างพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่ง ระหว่างนี้แหละเขาเรียกว่าพุท ธ, ธันดอนก็ไปอยู่ในสวนนานแสนานานอยู่พอถึงพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เลยลงมาเกิดเพราะลงมาเกิดก็เป็นลูกของชาวประมงคนที่เป็นหัวหน้าโจรก็เป็นลูกของหัวหน้าชาวประมงนี่แหละส่วนนอกนั้นก็เกิดตามตระกูลที่เป็นชาวประมงด้วยกันทั้งหมด ห้าร้อยอะต่อมาออกบวชปฏิบัติธรรมได้บรรลุปเป็นพระรหันต์หมดเลยนั่นเห็นไหมรักษาศีลก็รักษาเอาให้ทานก็ทำเอาทำเอาของเรานี่แหละอย่าไปคิดเราโอ๊ยคุณแม่ทำแทนฉันหน่อยพูดได้อยู่แต่เราไม่ได้ทำเอง มันก็ยังไม่เป็นของเราบุญกุศลนั่นแหละที่จะทำให้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วบุญกุศลทำให้เราเป็นคนดีบาปอกุศลทำให้เราเป็นคนชั่วให้ทำความดีไว้ตลอดความดีคือทานความดีคือศีล ความดีคือการหัดสมาธิวิปัสสนานี่แหละทางแห่งความดีทางไปสู่พภูมที่ดีไม่ใช่ว่าตายแล้วจะถึงจะได้รับผลนะเราทำความดีไว้เราได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แหละเราจะตั้งใจจะทำความดีนี่มันก็ดีแล้วมันก็ได้แล้วเราตั้งใจว่าจะทำความดีนี่ เราก็ได้สังแต่ความตั้งใจพอทำปั๊บลงไปเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นทันทีเลยบุญคือซื่อแห่งความสุขเราจะเห็นความสุขในใจเราเลยอย่างเราทำเพียนภาวนานีกเราจะเห็นใจของเราเป็นสุขถ้าใจสงบแล้วมันก็ต้องเป็นสุขถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่เป็นสุขมันวุ่นรีวุ่นวายสับสนวนละมานไปหมดหละมันยุ่งไปหมด เพราะนั้นท่านจึงให้ทำความดีทำความดีให้กับใจของเรากับตัวของเราเองให้เราถึงความสุขความเจริญให้จะจะให้เราพ้นทุกข์ให้เราถึงความสุ ข, ใ ห, ใ, ห ใ, หสขให้เราถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะไปได้รับผลไม่ใช่ ได้รับผลตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละได้ความสุขตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละอย่างเราฝึกหัดอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ดูใจของเราว่าเรากาหนดลมหายใจเข้าออกได้ไหมถ้าเรากาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้นั่นมันดีแล้วนั่นมันจะเป็นผลให้ถึงความสุขความเจริญต่อๆไปได้ด้วยนี่แหละ อะไรอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นใจเป็นใหญ่หมดใจเป็นประธานหมดสำเร็จด้วยใจหมดถ้าใจดีการกระทำคาพูดก็ดีตามไปด้วยถ้าใจชั่วการกระทำคำพูดก็ชั่วไปด้วยตกถึงนรกะบายไดเพราะความชั่วนั้น คนเราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นทุกตลอดทุกภพกทุกชาติทุกพ่ธรรมหากินทุกพาออะไรต่ออะไรสาละพันอย่างแต่ถ้าเราได้ทำมาแล้วเราก็มีความสุขเฉพาะของเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารอันนี้ให้ยาวนานอีกต่อไปถึงความสุขความเจริญ มีความเบากายสบายใจกันขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ของเราเองต่อไป